สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะวันนี้เราก็มาพบกับท่านฟังกันอีกนะคะตรงเวลาของเราวันละประมาณครึ่งชั่วโมงรายการสันนิสนทนาที่สถานีวิทยุครอบครัวข่าว f.m. 106ค่ะสถานีที่ท่านจะฟังแล้วได้ครบทุกรสเลยนะคะมีความทันสมัยมีความบันเทิงมีเรื่องที่เป็นสาระความรู้ จิปาถะและแน่นอนนะคะมีธรรมะของพระพุทธเจ้าในรายการของเรานี้ด้วยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ติดตามรับฟังไปพร้อมๆกับท่านที่ฟังทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติที่มีให้ฟังกันไปพร้อมๆกับท่านฟังทั้งทั้งประเทศที่ฟังอยู่ร่วมกันด้วยนี่แหละนะคะดิฉันเองปกติเดี๋ยวนี้ก็ดูรายการโทรทัศน์ไม่มาก คือถ้าดูนี่ก็ต้องเป็นลักษณะที่ว่ามีคนอื่ น, นเขาดูอยู่ก่อนแล้วเราก็เหมือนกับว่าอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะมีกิจกรรมร่วมกันจะได้มีอะไรพูดคุยรู้เรื่องบ้างเนี่ยนะคะสังเกตว่าในการโทรทัศน์ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในส่วนที่ไม่ใช่รายการข่าวหรือบางครั้งบางรายการข่าวก็ยังเอาไปใช้เลยนะคะคือการ เชิญผู้ที่มีความรู้ทางด้านของการทานายทายทักหรือที่เราเรียกกันว่าหมอดูด้วยวิธีการต่ตางๆนะคะบางคนก็ดูไพ่บางคนเกิดดูดวงดาวบางคนก็ดูอย่างนั้นอย่างนี้เอามาพยากรล่วงหน้าว่าโอกาสที่จะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้สำหรับคนคนนั้นคนนี้ที่เกิดเดือนนี้เดือนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ชาติบ้านเมืองของเราซึ่งเป็น สิ่งที่คนไทยห่วงมากเพราะดูเหมือนกับว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่สงบเรียบร้อยกันสักทีจะเป็นไปในทิศทางใดบางคนมาดูดีดูดีๆเนี่ยก็ดีไปนะคะเออดีชีวิตมีความหวังเขาบอกจะได้สตางค์เดือนนั้นเดือนนี้ตอนนี้ไปซื้อกระเป๋าสตางค์ใหม่เลยดีกว่าเอาไว้รอรับเงินนะคะแต่บางคนมอดูก็บอกว่าพอพ้นเดือนนั้นไปเนี่ยคุณจะกระเป๋าแห้งคอร์ดนะคุณจะอยู่ในภาวะที่ลําบากมากมีคนรักคนรักก็อาจจะ เจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปไหว้หนี่ไหว้นโน่นดนั้นเองก็คอยจ้องฟังเหมือนกันนะคะว่าวันเดือนปีเกิดของตัวเองนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างบางเอเอเขาก็ไม่พูดไอ้วันของเราแต่ก็ดีใจที่ว่าไม่ทันฟังไม่งั้นเผื่อเขาพูดไม่ดีเพลอๆเพล อ, อาจจะต้องกังวลเหมือนคนอื่นเหมือนกันถึงแม้ว่าคิดตัวเองพอมีหลักอยู่บ้างก็ตามทีนะคะทีนี้ รายการเราในฐานะเป็นรายการธรรมะเดี๋ยวจะให้ท่านอาจารย์ไพบูร์นนะพีปุณโญ น, โนคะคะใช้วิชาพุทธเจ้าพยากรณ์ให้น้องฟังบ้างกันล้กันว่าจะเป็นอย่างไร เ, เดี๋ยวติดตามรับฟังกันในช่วงนั้นซึ่งเดิ๋ยวทนจะไปกราบเรียนถามท่านในขั้ในเรื่องว่าในเมื่อเราอยู่บนโลกเนี่ยเขามีคำพยากรณ์แบบนี้ถึงจะหลักดีก็อาจจะอดหวันไหวไปบ้างไม่มากก็น้อย หรืออาจจะทำให้เราไปรอคอยในสิ่งที่เขาบอกว่ามันอาจจะเกิดขึ้นแล้วดีดีไม่มากก็น้อยและเราจะวางใจอย่างไรจึงจะทำให้การเสพคำทำนายเหล่านั้นซึ่งมันอยู่รอบตัวเราและจะว่าไปนะคะถึงแม้ว่าจะบอกอุย้ยพระพุทธเจ้าสอนไม่ให้เชื่อในสิ่งอื่นแต่พอมันเรื่องเกี่ยวกับตัวปุ๊บอดเงี่ยหูฟังไม่ได้อย่างนี้ค่ะเดี๋ยวไปสนทนากับท่านในช่วงถามโลกตอบธรรมนะคะ ถามโลกตอบธรรมท่านฝั่งค้าแล้วมาถึงแล้วนะคะในช่วงถามโลกตอบธรรมโดยพระอาจารย์ไทบุญอภิปุโนคะ่ะน้ัสการ่าทะท่านคะอาจารย์ปอนค่ะมีใครมาปรึกษาท่านทำนองนี้บ้างไหมคะว่าหมอดูดูอย่างงั้นอย่างนี้จะทำยังไงดีก็มีหลงหลเข้ามาบ้างที่วัดปาตะไนโศกค่ เาถามว่าเขามาต้องการอะไรอย่างเงี้ยน ะ, ะเขาก็จะมาถวายทานโอเคเราหน้าที่ของพระสงฆ์เนี่ยพระพุทธเจ้าให้ทําอย่างหนึ่งนะคืออนุเคราะห์ด้วยใจอันงามเพราะฉะนั้นถ้าเขามาถวายทานเนี่ยเราก็ทำไว้แค่นี้เองถ้าพอบอกสอนได้เราก็กล่าวถ้าเขาบอกสอนไม่ได้เราก็นิ่งคแค่นีนะ้หน้าที่ของสมณะอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังและทําสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้ง ถ้าเขาไม่เคยฟังพุทธวจนะใช่ไหมเอาเราพอจะบอกสอนได้ถ้าเขาอยากฟังคําอธิบายเ้าเราทําสิ่งนั้นให้แจ่มแจ้งได้แต่ถ้าเขาไม่อยากฟังเราเราก็นิ่ ง, งค่ะเพราะนั้นเราก็อนุเคราะห์ด้วยตามลําดับแหละถ้าเขามาถวายทักสีนาทานเอาเราเป็นผู้ควรับทักษินาทานเราก็กรับไว้แค่นี้ค่ ะ, ะอันนี้เราก็ไม่ใช่ว่าจะไปดูถูกดูหมิ่นวิชาความรู้ของใครนะค ะ, คะเพียงแต่ว่า ในเรื่องของการพยากรณ์เนี่ยหลังจากที่ถามท่านอาจารย์ไปแล้วก็มีน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาบอกเขามีเพื่อนคนหนึ่งที่นอนรอเป็นตำรวจเพราะหมอ ด, ดูบอกว่าจะได้เป็นตำรวจอบอกยังเรียนไม่จบเลยแกนอนรออย่างเดียวค่ะ <c oughs> พระพุทธเจ้าตระหนักนอย่างนี้บอกว่าความจริงเนี่ยมีห้าแบบ <c oughs> อย่างแรกเนี่ยนะคือความจริงที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ว่ามีห้าอย่างเนี่ยมีห้าอย่างนี้เท่านั้นเองมีผลไปสองฝ่ายด้วยจริงบ้างไม่จริงบ้างขั้นแรก มีความเชื่อกันว่าจริงนะอย่างที่สองมีความชอบใจว่าจริงค่ะอย่างที่สามเป็นเรื่องที่ฟังตามตามกันมาว่าจริงอย่างที่สี่นะมีความตริตรึดไปตามเหตุผลที่แวดล้อมว่าจริงและอย่างที่ห้าเป็นข้อยุติที่ทนได้ต่อการพิ i งพินิษด้วยความเห็นของเขาว่าจริงคือทำการพิสูจน์แล้วนะว่าไอ้นี้จริงแน่นอนทั้ง5้าอย่างเนี้ย จริงก็มีไม่จริงก็มีขัดแย้งกันโดยสิ้นเชิงก็มีนี่คือความจริงในโลกนี้มีแค่5้าอย่างนี้มี5้าประการอีกสักครั้งเลยนะคะท่านฟังความความเชื่อกันว่าจริงเชื่อทำเชื่อกันมาเข้าใจว่าจริงชอบวานี่จริงแน่นอนอันนี้มีเยอะนะคะพอแน่นอนเลยมันเหมือนกระจาปุ๊บเนี่ยเอออนี่จริงจริงไงไปดูหมอมากี่มิตอนี้ต้องหมอดูว่าดีด้วยนะคะท่านถ้าดูว่าไม่ดีก็ยังคิดว่าสงสัยหมอคนนี้เขาจะไม่แม่นอ แล้วก็ฟังตามๆฟังตามๆกันมาเป็นคนนิสัยดีเชื่อง่ายพ่อแม่บอกอย่างนี้าก็ตามค่ะหรญาติญาติทำอยางนี้แล้วก็ตามตามประการที่สี่ตรึกไปตามเหตุผลแวดล้อมมาจริงแล้วคิดว่าจริงถุกต้องค่ะก็เหตุผลมันบอกอย่างนี้เราคิดว่าอย่างนี้จริงแน่นอนฝ่ายนี้พูดอย่างนี้ยังจริงแน่นอนอย่างนี้ข้อห้าข้อยุติที่ทนได้ต่อการเพ่งพินิษด้วยความเห็นของเราอย่างพวกนักวิทยาศาสตร์ทําการพิสูจน์แล้ว ด้วยหลักทางวิทยาศาสตร์ไอ hey, อันนี้จริงแน่นอนสตอพออะไรเงี้ยนะคะอย่างนิวตัน อ, อย่างเงี้ยทำการพิสูจน์แล้วว่าไอทฤษฎีกฎของนิวตันเป็นความจริงแน่นอนออสไตน์ Einstein มาเลยพิสูจน์อีกแบบหนึง่งอ้าวมันไม่จริงเลยกฎของนิวตันถูกล้มล้างด้วยกฎของ r e l a าร์ t ิวิ ต, ตี้ทีของออสไตน์แปลว่ามันก็ไม่แน่กำลังจะกเรียนถามท่านอยู่พอดีเลยว่เอาข่าวว่ามีใครกาลังท้าทาย ทฤษฎีของไอน์สไตน์หรือยังก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่เขากําลังคิดค้นกันนะว่าเฮ้เพราะว่าทฤษฎีของไอน์สไตน์เนี่ยไม่สามารถตอบคําถามในระดับอนุภาคได้แต่ตอบคําถามในระดับระบบสุริยะได้เพราะฉะนั้นไอที่ความจริง5อย่างเนี่ยเชื่อกันบ้างฟังตายมาบ้างชอบใจว่าเป็นงานบ้างคิดแล้วพิจารณาแล้วว่าจริงบ้างเนี่ยจริงก็มีไม่จริงก็มีอันนี้คือความจริง5แบบพระพุทธเจ้าตัดกับพระามคนหนึ่ง ก็ไบดีกว น, นึ่บอกว่าอันนี้ความจริง5แบบในโลกเนี่ยไม่มีทางหนีออกมาจากนี้นะจริงก็มีไม่จริงก็มีแต่ความจริง5แบบเนี่ยคุณรู้ไปนะก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นวิธีการตามรักษาไว้เส้นความจริงคุณยังไม่รู้หรอกนะว่าอันไหนจริงไม่จริงต้องทำแบบนี้อย่างที่สที่กำลังจะบอกนี้จะรู้ได้ไงว่าไอ้ห้อย่างเนี่ยข้อมูลห้าอย่างที่เราฟังมาเนี่ยจริงหรือเปล่า ต้องมีวิธีในการตรวจสอบเพราะพระเาเลยบอกอย่างนี้ว่าอย่าพิ่งถึงการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าอย่าพิ่งเชื่อปักใจลงไปว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าให้วางเป็นกลางๆไว้ก่อนนี่แค่เนี้เป็นการที่เขาเรียกว่าตามรักษาไว้ซึ่งความจริงค่ะทฤษฎีนี้น่าจะถูกความเห็นของนักวิเคราะห์คนนี้ถูกแน่นอนอย่าพิ่งเชื่ออย่าพิ่งเชื่อเท่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่า อย่าเพิ่งสันนิษฐานอย่างนั้นให้วางไว้เป็นกลางๆงก่อนอย่างนี้ก็จะตามรักษาไว้ซึ่งความจริงได้อันนี้เป็นประการที่หนึ่งใช่ในในทุกในทั้งห้าอย่างเนี่ยเราต้องมีความเห็นนี้บอกว่าอย่าเพิ่งสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่า น, นั้นจริงอย่างอื่นเปล่าค่ะไม่ว่าความเห็นอะไรก็แล้วแต่ค่ะเพราะฉะนั้นพระเจ้าบอกว่าอันนี้ก็คือแค่ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงนะแต่ยังไม่รู้หรอกว่าความจริงทแท้จริงอ่ะคืออะไรอืมสรุป พระพุทองค์สุดท้ายนี่คือไม่รู้ว่าความจริงที่แท้จริงเถอก็เลยมีต <uğ> ้องมีสเต็ป sí ที yes ่สามอ๋อค่ะสเต็ปที <the> ่สามเนี <Okay. sh ilar pinpoint> ่ยก็ต้องบอกว่าอ่ะงั้นความจริงคืออะไรล่ะพระพุทธเจ้าก็เลยประธานสรุปให้เรานะว่าให้ไปถามคนที่อหมดแล้วซึ่งราคาโทสะโมหะคือถามพระราหันนั่นแหละคว่าเอ๊ะความจริงเนี่ยเป็นอย่างไรทําไมถึงต้องไปถามพระราหันเพราะว่าพระราหันเนี่ย ไอ้ย่างสมุติคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยมีภาษาเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ไหมมีมีกระบวนการนี้ภาษาอย่างนี้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับตัวเองสิ่งที่เขาจะตอบสนองไปเนี่ยชอบบ้างไม่ชอบบ้างถูกปะเพราะฉะนั้นเขาจะตกเป็นทาสของภาษานั้นอย่างเช่นคนพูดคํานี้ขึ้นมาปุ๊บเราจะโกรธทันทีคนพูดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาปุ๊บเราจะชอบทันทีถ้าคนเป็นอย่างนั้นนแสดงว่าเขาในเป็นทาสของภาษาแบบนั้นแสดงว่าการตอบสนองของเขาเนี่ยไม่ได้ แฝงไว้ด้วยความจริงเลยเป็นท่ายของสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นใครล่ะที่เป็นอิสระต่อจากภาษาทั้งหลายก็ต้องคนที่หมดแล้วจากราคาโทสะโมหะค่ะถูกไหมพระเจ้าเลยให้ไปถามคนเหล่านี้ว่าเอ๊ะคนที่หมดจากราคาโทสะโมหะเนี่ยเขาจะคิดอย่างไรมีความจริงที่เขาจะพยากรณ์เนี้พยากรณ์ว่าอย่างไรอืลักษณะนี้คเพราะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็เป็นเป็นอิสระจากภาษาทั้งหลายอืราะนั้นก็ลองถามสิว่า ความจริงคืออะไรให้ไปตามบุคคลเหล่านี้ค่ะแต่ก็จะมีคนถามต่ออีกแล้วรู้ได้ไงว่าองค์หไหนเป็ น, ปนพระอาหารหันต์จริงๆค่ะท่านคะพระเจ้ า, าให้พิจารณายอย่างนี้นะบอกว่ า, าให้ดูที่ข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาของบุคคลนี้นะว่าโอ้บุคคลนี้เนี่ยมีข้อปฏิบัติทางกายทางวาจาเป็นอย่างไรเป็นลักษณะของคนที่ไม่โลภหรือเปล่าเป็นลักษณะของคนที่ไม่โกรธหรือเปล่า และเป็นลักษณะของคนที่ไม่หลงหรือเปล่า mm hmm. เช่น mm hmm. เขาพูดแต่สิ่งที่เป็นธรรมเป็นมิ น, นัย mm hmm. ข้อปฏิบัติของเขาอยู่ในศีลอ่ะคนนี้เข้าข่ายไหนลองไปถามคนนี้ซิว่าเขาจะพยาการณ์ไปไงค่ะ <c oughs> ลักษณะนี้แต่ว่าถ้าคนที่เขาประกาศตัวเองว่าเราเป็นประราหานมาถามเรา <c oughs> <c oughs> ก็ลองไปถามดูว่าถ้าเขาไม่อยากการอะไรที่เป็นประโยชน์น ะ, ะก็ฟังได้ค่ะ <c oughs> แต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็คือว่าต้องพิจารณาจากวัดปฏิบัติถูกต้องข้อปฏิบัติทางกายและข้อปฏิบัติทางวาจากายวาจาใจว่ายังมีโลคยังมีโกโรธยังมีหลงหรือเปล่า<ช>เพราะว่าถ้ายังมีอย่างนั้นอยู่ก็แปลว่ามีความเสี่ยงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยจะเป็นไปตามอำนาจอิเลตตามอำนาจภายนอกเรื่องของความจริง มันมันน่าคิดจริงๆนะคะส่วนใหญ่เข้าใจว่าจะมีคนอยู่ประเภทที่บอกว่าต้องพิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกเนะะี่ยแล้วก็ปักใจเชื่อไปเลยนี่นก็มีอยู่จํานวนหนึ่งพวกที่โน้มเอียงไปทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะด้านแบบคิดแบบนักวิทยาศาสตร์แต่มันจะมีอีกประเภทหนึ่งอะคะ่ะท่านคะแล้วมีเยอะด้วยอืก็คือว่าเหมือนกับตัวเองมีประสบการณ์อะไรมาแล้วพอบทสรุปของเรื่องนั้นๆเนี่ยอืมันโน้มเอียงมา คล้ายๆกับที่เราคิดเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเออเนี่ยจริงอ๋อก็นี่ไงเป็นความชอบใจว่าจริงค่ะมันจะเข้าข้อสองนะคะมันมันตรงกับใจเนี่ยจะเป็นเป็นกันเยอะค่ะทฮพอมันตรงกับใจเราเนี่ยที่จริงก็มีที่ไม่จริงก็มีค่ะพระเจ้าก็เลยบอกว่าถ้างั้นเธออย่าเพิ่งเชื่อนะว่าอันนี้จริงเท่านั้นอย่างอื่นเปล่าค่ะลองไปถามที่ความเห็นที่เธอชอบใจว่าจริงเนี่ยคนที่เขา มีราคาโทสะโมหะหมดแล้วเนี่ยเขาจะไปกับเาไไงคะเราอาจจะหายากหน่อยสำหรับคนที่ไม่มีราคาโทสะโมหะคือไม่มีกิเลสเลยแต่ก็ลองเลือกเอาสักคนหนึ่งที่ใกล้เคียงมากที่สุดแหละที่เราเห็นว่าเออกายวาจาของผู้นี้น่าจะบริสุทธิ์ล่ะ ค่ะก็เชื่อได้ว่าจะมีมุมมองที่แตกต่างน่าเสียดายที่เราเกิดไม่ทันยุคพระพุทธเจ้าไม่อย่างนั้นในเรื่องทั้งหลายที่บางคนอาจจะบอกว่ามันจริงหรือเปล่าเนี่ยมันจริงหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมคะจะได้เกิดเหมือนกับมีการจุดแสงสว่างให้มันเห็นว่าความจริงตามธรรมนั้นเป็นอย่างไรเรื่องที่พระเจ้าสมมติสมมติว่าพระเจ้าอยู่ในยุค ป, ปัจจุบันนี้อ่ะค่ะสมมติพระเจ้ามาออกรายการนี่เลยสมมุติเลยนะแล้วมีคนส่งคําถามเข้ามาถามพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าแน่นอนฟันธงพระเจ้าจะไม่พยากรณ์สิเรื่องนี้ โรคนี้มีหรือเปล่าโรคอื่นมีไหมโรคเที่ยงไม่เที่ยงคนเกิดแล้วตายไปอะไรพวกนี้พระเจ้าเป็นพยากรแต่พระเจ้าพยากรณ์เรื่องอะไรเรื่องอริยสัจสีเท่านั้นถ้าใครถามธรรมะพระเจ้าพยากรณ์ใหนะ้ว่าอ๋อเป็นอย่างนี้อย่างนี้อธิบายโดยพิสดารละเอียดทุก ข, ขั้นตอนแตนะ่เรื่องที่พไม่พยากรณ์ก็ทรงบอกว่าเรื่องอะไรไม่พยากรณ์เป็นคําถามทอพิษสมัยนั้นน ะ, นะะเรื่องทิฏฐิสิบประการเรื่องพยากรณ์ก็มีที่วรองจะตอบได้ค่ะทีนี้ ในส่วนของพวกเรายังอยู่บนโลกใบนี้ hmm. ที่ไม่ว่าโลกมันจะหมุนไปอย่างไรนะคะ hmm. เพราะว่ามนุษย์แต่ละคนเนี่ย hmm. เกิดมาเพราะมีอุปทานจึงมีพบ hmm. แต่ก่อนจะมีอุปทานนั้นเป็นอย่างไรก็ไม่รู้แหละ <Okay. S 2> ดังนั้นเนี่ย hmm. การที่จะใหะ้ทุกคนไปเข้าใกล้ความเข้าใจแบบที่พระพุทธองค์สอน hmm. นะคะว่าตั้งสมมติฐานไว้ก่อนว่าอสิ่งที่เราเชื่อว่าจริงเนี่ย hmm. มันอาจจะไม่ใช่ใชความาจริ ง, งใช่ตัวประเปยชนะก็คือบอกว่าอยาอย่าเพิ่งเห็นว่าสิ่งนี้จริงเท่านั้นสิ่งนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าแค่เพิ่งมีความเห็นอย่างนั้นแล้วก็แล้ววิธีตามหาซึ่งความจริงทําอย่างไรใช่ไหมก็คือวิเชียร์บอกว่าพอมีคนที่เข้าขายที่ว่าเออคิดว่าคนเนี้ยหมดราคาโทสะโมหะละให้ทํา12อย่างนี้ในวิธีการตามหาซึ่งความจริงคือให้มีศรัทธานในบุคคล น, นั้นก่อน ในอย่างที่สองเนี่ยเราก็เข้าไปหาเขาเข้าไปหาแล้วก็เข้าไปนั่งใกล้เข้าไปนั่งใกล้แล้วเนี่ยก็เงี่ยบสดลงฟังธรรมค่ะนะพอฟังธรรมแล้วคือข้อที่ห้าใช่ไหมข้อที่6เนี่ยก็ทรงจำธรรมนั้นไว้ข้อที่7ก็เอาธรรมที่ตนเองทรงจำนั้นเนี่ยมาใไข้ครวนพิจารณาพอมาไข้ครวนพิจารณาแล้วเนี่ยข้อที่8ปดสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือธรรมนั้นเนี่ยก็จะทนต่อการเพ่งปี น, ปนิด เมื่อทํานั้นทนต่อการเพ่งพินิษฐ์แล้วเนี่ยฉันท่าเนี่ยคือความพอใจย่อมเกิดขึ้นคนที่พอใจแล้วย่อมมีข้อสิบคือมีความเพียนพอเขามีความเพียนแล้วเนี่ยข้อที่สิบเอดเนี่ยเขาจะหาจุดสมรลุแห่งธรรมค่ะพอหาจุดสมรลุแห่งธรรมได้แล้วเนี่ยก็จะทําข้อที่สิบสองก็เรียกว่าตั้งตนไวในธรรมนั้นเพราะนั้นคนที่ตามหาซึ่งความจริงมีความเห็นนี่อยู่เอ๊ไปลองไปถามพระองค์นี้ ดูซิเขาเป็นผู้ที่ดูว่ากายและวาจาเนี่ยบริสุทธิ์อยู่อะให้ปลุกศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เงียสงดลงฟังซึ่งธรรมนะแล้วเอาธรรมนั้นมาทรงจำไว้ใกรครวน่นธรรมแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยน ะ, ะมีชันทะามีวายมะตั้งตนไม่นในธรรมนั้น อ, อย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเจะพบความจริงได้รู้ได้ซึ่งความจริงย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ค่ะก็เท่ากับว่าเรา ต้องทำตัวเล็กๆบางคนไม่เชื่อคนอื่นนะครับมีความรู้สึกไม่ศรัทธาอะไรไปสมุดอย่างนี้โอกาสมันก็เจอความจริงยากออันนี้ข้อแรกเลยอยู่ที่ข้อแรกเลยไม่มีศรัทธาถ้าไม่มีศรัทธาก็จบล่ะพระพุทธเจ้าบอกไว้เลยชัดเจนในตถาคตภาษิตเนี่ยบอกว่าประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราได้เปิดไปแล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์ใดมีสัตสัตว์ใดมีโสดประสาสัตว์เหล่านั้นจงปลงศรัทธาลงไปเถิดเพราะนั้นต้องมีศรัทธาก่อน พระเจ้าบอกว่าถ้า เ, เธอมีศรัทธาแล้วเนี่ยเธอจะเห็นศรัทธาเนี่ยเปลี่ยนความทุกข์เนี่ยให้เป็นศรัทธาให้ได้เปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นศรัทธา ใ, า ใ, าใช่เห็นทุกข์ก็ดีแล้วมีความทุกข์ก็ดีแล้วแต่จะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นศรัทธาได้อย่างไรเพราะว่าถ้าเปลี่ยนความทุกข์เป็นศรัทธาแล้วเนี่ยนี่สามารถเข้าสู่ประตูนิพพานเป็นนมธรรมได้แล้วนะถ้าบอกว่าถ้าจะให้พูดเข้าใจง่ายๆคือเมื่อมีความทุกข์น่ยถ้าเรามีศรัทธาก็เท่ากับว่าเรากําลัง เปิดประตูให้กับตัวเองเดินไปสู่ปัญญาอย่างนี้ได้ไหมถูกต้องถูกต้องถามว่าศรัทธาเนี่ยที่อติมารย์มีความเข้าใจน ะ, ค, ะคือไม่ใช่ความศรัทธาแบบ mm. เชื่อหัวปักหัวปาล์มอย่างนั้นแต่เป็นความมั่นใจมั่นใจในอะไรมั่นใจว่าโอ้คนที่สร้างเหตุมาอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเป็นพระพุทธเจ้าได้มั่นใจว่าธรรมะที่พระุทธเจ้าเนี่ยทําอย่างนี้ได้ผลอย่างนี้ เป็นของดีจริงมีอยู่มั่นใจเลยว่าคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยถ้ามาทําดีอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นคนดีขึ้นมาได้ <คะ S 1> มั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไงแต่อย่างเนี้คะ่ะท่านคะสมมุติเกิดมีบางคนเนี่ยนอกจากไม่ศรัทธาแล้วอืก็ยังขี้ระแวงสงสัยแล้วก็ตั้งคําถามท้าทายมากอืถามว่าเรารู้ได้ยังไงว่าพระพุทธเจ้ามีความจริงสมมุติอย่างนี้นะคะช่ก็อย่าเพิ่งเชื่อว่าสิ่งที่อาตมาพูดอยู่เนี่ยเท <c oughs> ่านั้นจริง จรินหรเปล่าก็ต้องมาพิสูจน์ใช่ค่ะพิสูจน์ทําไงก็ทำตามสิบสอขั้นตอนนี้ค่ะถ้าไม่ใช่ครูบาอาจารย์องนี้ก็ไปหาครูบาอาจารย์องค์อื่นก็ได้ที่ตัวเองมีศรัทธาสิบสองขั้นตอนอย่างนี้นะคะใช่มีศรัทธาก่อนศรัทธาแล้วก็ต้องเข้าไปหาอืเพราะไม่งั้นก็ไม่มีโอกาสพบปะเจอเจอนะคะพอไปหาปุ๊บ ก, ก็อย่าเป็นนักเกรยียนหลังห้องให้ไปนั่งใกล้ๆนั่งใกล้เพื่อที่จะได้มีโอกาสที่จะฟังในสิ่งที่ท่านพูดแล้วก็ทรงจําสิ่งนั้นไว้ ก่อนจะเอามาใคร่ครวนพิจรารณาซึ่งเป็นขั้นตอนที่จำเป็นเพราะไม่ใคร่ครวนไม่เห็นความสาคัญของที่มีอยู่ก็ไม่มีประโยชน์ชแล้วจะพบว่าถ้าเป็นความจริงแบบพระพุทธศาสนาเนี่ยจะเพ่งพินิษพิจรารณาอย่างไรก็ไม่มีทางคลาดเคลื่อนไปจากนั้นถูกไหมคะถูกต้องนะคะแล้วก็เราก็จะเกิดความพึงพอใจ นำไปสู่การที่เราจะปฏิบัติตามวิธีการตามธรรม<ช>ด้วยความภาคเพียรถูกต้องเพื่อหาจุดที่มันสมดุลแห่งธรรมอันนี้หมายความว่าความพอดีมันจะเกิดเมื่อเราปฏิบัติไปด้วยตัวเราเองใช่เพราะเป็นเรื่องปัจจิตังอย่างนี้เหรคะเป็นของใครของมันถูกต้องจุดะะสมดุลของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันค่ะพระพุทธองค์พูดนะคะว่าธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยถ้านําไปปฏิบัติแล้วประสบการณ์ที่ได้พบเนี่ยมันอธิบายยา ก, กเพราะว่าเป็นประสบการณ์ของคนนั้น ถูกไหมคะปัจจตังถูกต้องนะคะแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเราพบจุดสมดุลแห่งธรรมแล้วก็ตั้งตัวเอาไว้ในธรรมนั้นที่เราอุตสาหทุ่มเท12สองขั้นตอนจนค้นพบนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องของความจริง ที่เรานำเอามาฝากท่านฟังกันในวันนี้ในรายการสันสนีสนทนาโดยพระอาจารย์ภั ย, ยบุญอาจพิปุณโนเดี๋ยวท่านจะยังอยู่พบ ก, กับพวกเราอีกนะคะในช่วงที่จะมาอธิบายขยายความร้อยแปดตถาคตพาสิทธ์ค่ะถามโลกตอบธรรมท่านฟังค่ะมาถึงตอนนี้เราก็จะนำเอาหนึ่งในร้อยแปดตถาคตพาสิทธ์ ซึ่งท่านจันเพลิบุญภิพุลโนนะคะได้ใช้เวลาในการรวบรวมเป็นแผ่นพับฉบับกระเป๋าให้เราได้เข้าใกล้ธรรมะของพระพุทธองค์ติดเนื้อติดตัวเอาไว้ว่างตอนไหนหยิบมาดูเราก็จะได้มีโอกาใคร้ครวญธรรมนั้น <S <S เพื่อนำไปสู่การที่จะพบความจริงองที่ได้กราบเดียนให้ทราบไปแล้วในช่วงที่แล้วเนี่ยนะคะในวันนี้ท่านจันเพลิบุญจา นำบทไหนมาฝากท่านฟังคะออก็ที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ในรายการคือข้อที่เก้าสิบเจ็ดเก้าสิบเจ็ดพระพุทธเจ้าตรัสไว้หลังจากที่สามบริพรมเนี่ยมาอาราธนาพุทธเจ้าในการแสดงธรรมคือตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยเกิดความท้อใจว่าโอ้ทำนี้มันลึกซึ้งมากอยากเท้าสามบดีพรมก็เลยมานิมนต์พระเจ้าให้แสดงธรรมพระพุทเจ้าลองคิดทบทวนดูโอ้คนมันฉลาดก็มีไม่ฉลาดก็มีอ่ะเราจะแสดงธรรมปรกันก็เลยตรัสคถานี่ออกมาให้ พรมเนี่ยทราบว่าโอเคเรารับนิมมบรุระเจ้าตรัสว่าข้อเก้าสิบ็ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมะตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่าใดมีโสดประสาทคือมีหูสัตว์เหล่านั้นจงปงรงศรัทธาลงไปเถิดคือประตูแห่งนิพพานเปิดไว้แล้วทีนี้อันเนี้ยมันจะมาสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะที่พระเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของปฏิจจสมุ ป, ปาทว่าศรัทธาเนี่ย ชื่อว่ามีทุกขเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยคนที่มีทุกขแล้วเนี่ยจะมีศรัทธาได้ถามว่ามีทุกแล้วจะมีศรัทธาได้อย่างไรเราเอาก็ต้องมาดูข้อใจสิบสามสี่พระเจ้าบอกว่าเมื่อบุคคลมีสัมมาทิฏฐิแล้วกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นและกุศลธรรมที่เกิดอยู่แล้วก็เป็นไปเพื่อความเจริญภัยบุญโดยยิ่งแพรน้นเธอจะเปลี่ยนทุกเป็นศรัทธาได้เธอต้องมีสัมมาทิฏฐิพราะมีสัมมาทิฏฐิเปลี่ยนทุกเป็นศรัทธาได้แล้ว ศรัทธาเนี่ยก็จะทำให้เกิดปราโมกปราโมกก็จะทำให้เกิดปีติปีติก็จะทำให้เกิดปัสสติปัสสติก็จะทำให้เกิดความสุขความสุกก็จะทำให้เกิดสมาธิสมาธิก็จะทำให้เกิดยะถาภูตะยานัทสนะคือการรู้เห็นตามที่เป็นจริงพอรู้เห็นตามที่เป็นจริงก็จะเกิดความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายก็จะมีวิรากะพอมีวิราคะก็จะเจอวิมุติจะทราบได้ไงว่าเราอยู่ในวิมุติแล้วก็จะต้องมียานในความสิ้นไปหรือวิมุติยานัทสนะอยู่ค่ะเพราะ้นพอมีศรัทธาเนี่ย เพราะเห็นทุกข์จึงมีศรัทธาเนี่ยก็เลยสามารถทําให้วิมุตต์เนี่ยเกิดขึ้นได้ใช่ไห ม, มเพราะฉะนั้นถามพระพุทธเจ้า ก, ก็เลยตรัสไว้เลยหลังจากที่ตรัสรู้แล้วรเรารับรองคําของสามมริพรนะว่ า, ารับนิมนต์ละด้วยคาถานี้ประตูแห่งนิพพานอันเป็นอมตะเราเปิดไว้แล้วแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เราได้มีโสดประสาทสัตว์เหล่านั้นจงปรงศรัทธาลงไปเถิดค่ะโปรงศรัทธามหมายความว่า โลสัทธาก็คือว่าให้มีความเชื่อมั่นค่ะเชื่อมั่นในอะไรเชื่อมั่นในคนที่ตรัสรู้ว่ามีอยู่พระพุทธเจ้ามีอยู่เชื่อมั่นในธรรมะนี่ของดีทําแล้วเกิดผลทำอย่างนี้อย่างนี้เป็นเหตุทำอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นผลได้ ช, ชอบที่มีคําจํากัดความที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงคำว่าศรัทธาว่าศรัทธาชื่อว่ามีทุกข์เข้าไปตั้งอาศัยชอาจจะทําให้คนที่กําลังมีความทุกข์อยู่เนี่ยต้องดีใจแล้วนะคะอ๋อมีความทุกข์นี่ดีมากว่า เพราะท่านมีทุกข์ท่านจึงกำลังจะเปิดประตูเข้าไปสู่ปัญญาที่จะพาตัวเองรอดนะคะเพราะว่าเมื่อมีทุกข์หาทางออกไม่ได้ ม, มันจะเริ่มเกิดศรัทธาเชื่อมั่นใ น, ในธรรมะ อ, ม <laughs> อันนี้ก็เอาไว้ใครครวญนะคะใครสนใจติดต่อเข้ามาที่022690006 นสถานีวิทยุเอฟเอเจ้าหน้าที่ของเราก็จะประสานงานให้ส่วนหนังสือพุทธวัตฉบับก้าวย่างอย่างพุทธานั้นก็ยังมีแจกอยู่วันละห้าเล่มเช่นเดียวกันนะคะส่วนปีหน้าแจกอะไรต่อไปก็ติดตามรับฟังวันนี้พอควรแก่เวลาน้ำส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์ไพบุญอภิปุลโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกอุดรธานีไว้ในโอกาสนี้และขอบคุณท่านฟังทุกท่านติดตามรับฟังกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ